วันนี้มไม่เลยพักท่านวันนี้แล้า ว, วันนี้เพื่อนใหม่แล้วพวกนี้เพื่อนไปจะมาอีกคนแล้วก็มันขนาดเมื่อก่อนนี้มาติดติดกันตอนนั้นมาเป็นคู่เลยเป็นแพ็คเลยก็อายุข้าวสัหนึ่ง ตามกาลเวลาของบนแล้ว น, นั่นพวกเราก็ถือว่าเจริญสติรันนี้หลวงพ่อไม่พักก็เพราะว่าคนนั้นไปคนนี้มาเอาสัญญามาให้บั้งเอาปัญญามาให้บั้งเอาปัญหามาให้บัางครบเลยพวกนี้ก็มีอยู่ เช้ามีนัดก็ไปชันข้างนอกชันเสร็จก็ไปโรงแรต่อกลับทั้งคนันเดินทางที่ว่างันนี้มาได้พักแต่มันก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตรงนี้เขาเอาธรรมะมาให้ทุกวันทั้งพระทั้งชาวบ้าน พระหรื อ, พอเพาะก็ไม่รูกพระมาเมื่อวานกับพระวันนี้กัพระตอนนี้ไม่พักว่าเราเกือบสิบคู่ถามมามาจากไหนไมาทําอะไรก็ต่อไปคนละทิศคนละทางบางวนจะเข้าป่าออที่อื่นไม่มีป่าหรื อ, อยังไง บอกจะไหาที่ครูบาอาจารย์ที่เดิมไม่มีครูบาอาจารย์หรอยังไปหาที่ภาวนาไปหาที่ตรงไหนที่เป็นที่ภาวนาก็ถามไปแล้วว่าไปแล้วก็อยู่ไม่ได้สภาพดินฟ้าอากาศมันไม่อำนวยวอะไาเงั้ยนะอันนี้คือภาะสมัยใหม่ เหมือนพระเก่าพระโบราณบางทีไม่มีกินสองวันสามวันมื่วานคุยกับองค์หนึ่งเออเขาทามัาบอกไปชื่อก็รู้จักเอาบอกว่าไปมันไปภาวนามาไปที่ท้ำแันวก็บอกชื่อทำบอกชื่อจังหวัด แล้วก็บอกอยู่บ้านนั้นใช่ไหมทำไมเราไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงอยู่มาก่อนอมาสามสิบสี่สิบปีแ่แล้วอยู่มาก่อนท่านบอกตอนนี้ก็ยังภาวนาดีอย่างนี้เขาทำไปภาวนาต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่ปติภูเขาปฏิป่าไม้ปฏิใส่น้ำเขา เราไปโทษปัจจัยไปนั่นออแล้วก็บอกประกาภาวนาอ mm. ไม่ใช่เรื่องแล้วนั่งภาวนาต้องเข้าใจว่าภาวนาคืออะไร mm. ภาวนามัสีสองอย่างกายภาวนาเขามาอยู่เฉยๆอยู่ที่กายอ กิตตภาวนาออาสติปปะยุกับจิตสองอย่างแต่ที่สำคัญคือทั้งสองอย่างต้องมีควาว่าสติเกี่ยวข้องอยู่ด้วยสติอยู่กับกลายนั่นก็คือรูปมี่อเราพูดถึงคาว่ารูปสำหรับนักภาวนาเราไม่ได้จบแค่รูป พอจบแค่รูปมันก็ได้สัญญาคือความจําซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วส่วนรายละเลอียดที่ตามรูปรูปสวยรูปงามรูปที่ชอบรูปที่ไม่ชอบมันจะตามมาเป็นพูนภาวนาไม่เกิดถ้ากายะภาวนาไม่มีมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะสติไม่อยู่กับจินรนี้แต่ถ้า เราภาวนาแล้วเข้าใจมันจะเข้าใจอะเหมือนตอนนี้แต่ละ เ, เพื่อนเข้ามาตอนนะี้มันก็คือดินน้ําไฟลมลมไม่มีแล้วมันก็เลยแต่ดิ น, นแต่น้าไฟก็ไม่มีแล้วทั้งสือหรือแค่สองคือดินกับน้ําก็มันก็ไม่ครบแล้มันก็ขาดละขานในขั้เขาเรี็ว่าจะเรียกว่าคนจะเรียกว่า เพราะจึงเรียกว่าสบคำไม่เรียกว่าเปิดคนมื่แหละตายมีกยายภาวนาถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเข้าใจสภาวะก็แสดงมีการพัฒนาคือมันเจริญขึ้นนั่นคืองานภาวนาหรูอภาวนามต้องเจริญขึ้นแต่ที่สาคัญที่ได้ทำ ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้เยอะขึ้นก็คือทำซ้ำๆนั่นเองจิตตภาวนามันไม่เกี่ยวกับกายแล้วดห้นะองเกี่ยวกับน้ำที่มันเกาะกา ย, ยอยู่นี้อยู่ในขณะที่รปูปเมื่อจิตไม่ตั้งแล้วคือตั้งอยู่ไม่ได้ มันก็ไปหาที่ตั้งใหม่คือไปหาที่เกาะไงมันตั้งหาที่เกาะไม่มีที่เกาะ อ, อยู่ไม่ได้เพรจิตมัน อ, อยู่ไม่ได้มันก็เป็นแค่นามอยู่ไปซื้ออยง่างยังไงมันเราฝันในขณะที่เราฝันน่ยร่างกายของเรามันก็ไม่ต่างอะไรคนตายเพราะสะติไม่อยู่กับกายเนียโทษของการสติไมอยู่กับกายท่านนี้อุปมาอย่างนั้นเลย คนเป็นเราก็เหมือนกันมีชีวิตอยู่กับวันกลคืนก็ตามถ้าสติไม่อยู่กับเก่าเพื่มีกายภาพนอมันจะไปต่างแล้วคน่างมีนคือความายเหรงเพราะนั้นสองธรรมสัญญาปัญญามันต้องเกิดแต่ว่าเริ่มต้นที่สติมันพ่อครูสอว่าสติแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบัน ทำว่าอยู่ปัจจุบันก็คือจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งตามทําให้เป็นนิสัยเริ่มที่จะอุปนิสัยเริ่มเริ่มจะมีนิสัยเป็นเงจนทําเป็นประจํามจำกลายเป็นนิสัยคือประจำํำในฐานที่ดูตรงขาา้ามถ้ามัของไม่ดีมันก็เป็นนิสัยเหมือนกันมันนิสัยไม่ดีมันก็จะเกิดขึ้นกับจิต ริงเหล่านี้ถ้าเราไม่มีขั้นตอนในการทำในชีวิตประจาวันในแต่ละวันมือก็จะเป็นยืนเดินนั่งส่วนนอนไม่ต้องพูดถึงสติมันขอมนานอน่ีมันก็วางสติมันวางจากกายมันก็ไปอยู่ของมันไปหลบอยู่ข้างในในขณะที่มันหลบอยู่มนโนคือใจนั่นแหละ มันนึกอะไรขึ้นมามันก็ปรุงต่อเพราะมันไม่ได้ดับนะการตายไม่ได้ดับโผล่นี้ไม่ได้ดับเพราะนั้นพริจ้าจึงใช้คาว่าเกิดดับเห็นการเกิดการดับทั้งกายะภาวนาคือทางกายจิตตะภาวนาคือทั้งจิตทางกายก็เช่นกันเช่นเวทนาคาว่าเ ท, ทนาหมายถึงสุขทุกข์เฉย ที่มันเกิดจากกายเรานี่แหละคือกิดจะกกายเกิดจากรูปทุกอย่างที่มันมีโรคมันเกิดจากในเพราะมันไปเกาะสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของมันมันแค่ทําหน้าที่สื่อสารว่าอย่างนี้มันทุกขเวทนาอย่างนี้สุขเวทนแต่เราไปอุปท า, านคือไปยึดเอาแล้วไปชอบไปชัง ของเรานี้ไม่คิดว่ามันเป็นหน้าที่หรือเป็นปกติของมันเราไม่ได้คิดว่าเป็นปกติมันเลยกลายเป็นผิดปกติตที่สมการเกิดไม่เคยรับรู้ของพว น, นี้เลยสุดท้ายเราน ต, ตกเป็นธาตุว่าครอบงําไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าจะยืนเดินนั่งเพราะว่าสติเราขาด เราไม่อยู่ที่การยืนมีอยู่ทีการเดินไม่อยู่ที่การนั่งเป็นเพียง อ, อริยบทเฉยว่าเออจะนั่งนะดีนะนะแต่สติมันไม่ต่อเนื่องประเด็นมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราขาดสติเป็นช่วงเป็นห่วงมันออกไปเที่ยวคือมโนว่ามันนึกขึ้นมานึกเสร็จมันก็ปรุงคือสัญญามันทําหน้าที่สังขารมันก็ปรุงต่อ พี่ยงยากไมเกิดการรับรู้ออกเป็นอย่างนี้เอๆแต่การวางไม่มีคือการวางอารมณ์นั้นไม่มีเราก็อยู่กันอย่างนี้อยู่กับการเกิดการดับการเกิดการดับแต่สติไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องในเรื่องเราในี้ในตปัจจุบันจริงๆแล้วแม้แต่หลับมันก็เกิดดับเกิดดับเช่นเดียวกันแม้ร่างกายไม่ทาหน้าที่ คือไม่รู้เรื่องอะแต่ภาวะการเกิดการดับมันเกิดดับเกิดดับอยู่เพียงแต่ว่าใจมันนึกอะไรขึ้นมาภาพมันก็จะปรากฏถึงต่างกับตาแต่เราเห็นรูปโดอตาตาต า, ตาหนังตาเนือ้อตาธรรมดาแต่ตามันก็จะแต่ว่าเห็นแค่นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับชอบไม่ชอบชังไม่ชังก็สิงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้อง ใค่ควรพิจารณาเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจระบบการทํางานของมันเหมือนั้นก็ไม่รู้จะเป็นละตรงไหนไม่รู้จะไปปล่อยตรงไหนไมรู้จะเรื่องอะไรชีวิตก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเราก็เป็นอย่างเหมือนกินเหมือนกินข้าวตินปากินดื่มกินทําพูดคิดก็มีกันทุกคนแต่ว่าสติมันไม่ได้มีทุกคน ใครไม่ฝึกใครไม่ฝืนใครไม่ระลึกนึกถึงคนนั้นก็ไม่มีสติคนนึกไม่ได้กินกับสักได้ัมดกินไปงั้นคือป้อนเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยว้วหน้าที่ของมันก็เกิดความรู้สึกอร่อยไม่อร่อยก็ชอบไม่ชอบนั่นแหละเฉยๆผูก่อนหน้านั้นก็ไม่คิดหลังจากนั้นก็ไม่คิดลว นะคือมันขาดช่วงมันไม่ต่อเนื่องมันไม่สมบูรณ์มันครึ่งครึ่งกลางกเพราะนั้นควสติอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นเรื่องสําคัญอยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับในขณะจิตนั้นๆเราทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรก็นินเดินนั่งนอนคิดในขณะที่คิดก่อนคิดขณะคิดคิดไปแล้วผลเป็น ผมไม่มีสติก็คิดไม่ออกคิดได้ไปบางเรื่องแล้วก็อยูน่นี่มันก็ปรุงมาต่อเกิดดับกับสติหรือความคิดอันนีเกิดดับเกิดดับตลอดเลวลาบางคนบอกสอนบอกมาให้เกิดความคิดเป็นอะยังไงจินตะคําบอกว่าเปิดความคิดแล้วบอกมาให้มันคิดคมันเป็นไปไม่ได้แต่เราสอนผิดเราต้องบอกว่า คิดได้จะให้มีสติในขณะที่คิดให้มีสติคิดระ ว, วงังคิดแล้วต้องวางได้เรืคนมีสติมันเรื่องปกติเมัน ก, กินข้าวบางอาหารเราถึงเวลากินก็กินแต่เราก็ได้คิดว่าหลังจากกินแล้วเป็นยังไงไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงหลังยี่สิบสชั่วโมงเป็นง จึงจะกินเข้าไปก่อนที่จะกินขณะที่กินกินไปแล้วมันครบสองการเลยคืนี่แตการปัจจุบันกันการอนาคตการแล้วเราเขาเรียงเรียงอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนั้นแสดงว่าสุดท้ายปลายทางเกิดต้องอยู่กับปัจจุบันความหมายก็ต้องอยู่ปัจจุบันส่วนเรื่องปกติของเขาเขาวงจรขงเขาเขาก็เป็นแาบนี้ระบบความคิดของเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นวงจรเราจเรียกวัด คือมันวนอยู่อย่างนี้นแหละกระวนไปเย็นมามันเสือปิดจันทบางกะบอาอธิบายว่ามันเป็นวงกลมยังอันไม่จิมันต้องเป็นวงกลมก็ได้มันเป็นสามเหลี่ยมก็ได้เป็นสุนโบทเฉยๆแต่มันก็กลับมาที่เดิมคิดเรื่องเดิมนุนเรื่องเก่าเก่านั่นที่หมายถึงโ่งปฏิออดต นี่ว่าอดีตจากนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีกระตามแต่จิตมันรู้ไม่ทันอ่ะคือสติมันก็วางไม่ได้มันก็ไปผสมต่อเพราะนั้นถึงบอกว่าพ่อพูดถึงสติแล้วก็ปัจจุบันก็แปลว่าสิ่งที่คิดแต่มันเป็นปัจจุบันอ่ะถ้าไม่ใช่ปัจจุบันวางตักอย่างนี้ทุกวันเพรามัใช่ปัจจุบันพระเจ้าสอนปัจจุบัน สุขก็ตามทุกข์ก็ตามให้เป็นปัจจุบันในขณะนั้นเ ร, เรียกว่าขณะจิตถ้าฝึกอย่างนี้เป็นประจำแม้ก่อนหลับก่อนนอนก็เช่นเดียวกันก่อนที่มันจะไม่รู้ไม่เห็นกลายเป็นความฝันกลายเป็นนิมิตอ น, นั้นก็ตั้งจิตเอาไว้ให้นึกถึงแต่สิ่ที่มันดีๆบรรจุสิ่งที่ดีไว้ก่อนหลับก่อนนอนก็ตื่นขึ้นมาจําอารมณ์นั้นๆอย่างมาที่กลายเป็นปัญหา เป็นปัญหาเพราะว่าจะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังฝันไม่ดีก็มาหายเลยฝันอย่างนี้จะเป็นยังไงเอาแล้ฝันว่าฝันหลุดหายเอาและเดือดร้อนความฝันนี่นะก็ะต่อไปเก่ต้องการกำลังใจก็อธิบายดึกตึกอะคือเหตุผลส่วนความจริงคือเรื่องนี้ เพื่อสบายใจเพื่อให้คลายปมในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันการเป็นความกังวลคือบริพเทจิตมันก็เศร้มหมองเลยพอจิตมาเศรมอง ก, ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจิตก็ไปอยู่กับเรื่องเดิมคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องอื่นเยอะแยะเสคิจไม่เสร็จเรื่องที่ดีดเรื่องทีเคยชอบไม่เสร็จไปคิดแต่เรื่องเดิมๆที่มันไม่ดี ปุ่งเนี่คยครเอาไม่เราไม่แก้ไขรเลยกมคือว่างไม่ได้พ่อไม่เคยฝึกแต่ถ้าเคยฝึกว่าโอ้ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะคือใช้สติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันตอนเนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แสดงว่ามันฝันมันเป็นอดีตอ น, นาคตหรือปัจจุบันครับต่อคืออดีตมันจบไปแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันมันไม่เกี่ยวข้งกันเออคิดอย่างนี้ มันก็จะเป็นประโยชน์พก็ เ, เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันดังนั้นเราก็จรู้เอาวนเนี่ยเพตอะนั้นเราสังเกต ด, ดูตัวเองว่าความคิดของเรามันไปอยู่กับเรื่องเกา่าเรื่องแก่เรื่องอดีตหรือเปล่าถึงแม้ดีก็าตามไม่ดีก็าตามมันไม่ได้มีผลดีไรต่อเราเลยอนาคตก็เช่นเดียวกันเอาปัจจุบันเป็นหลักดัะนั้นทีบอกพรวิตาิ์พระุลริ์ตา เมื่อมันเจริญแล้วรู้ว่าทางนี้มันเจริญแล้วจะดูาภาวนาเนะี่ยเพราะนั้นกายภาวนาคือทางกายมันเจริญจิตตภาวนาทางจิตมันก็เจริญขึ้นอย่างนี้เรียกว่าภาวนาคือทางกายก็เจริญขึ้นจิตก็เจริญขึ้นเรียกว่าภาวนาเรือความหมายไม่จะแปลว่าเราปงกุงหลับตาหรือไปหาที่ทาสายน้ําภูเขาเรากาบอก่าภาวนาไม่ถือเอา ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาต้นไม้สายหน้าภูเข า, าเรื่องต่างกติคือธรรมชาติของเขาเขาอยู่เขาเป็นอย่างนี้งานเราเองไปเปติไปว่าเขาเออ ม, มันหนักของเขาเนี่ยแต่เขาพูดไดคงจะดังกลับแล้วแต่คนหยาบคายเนี่ยแล้วเราไปเรียกตัวเอ ง, องไปไปพาที่ภาวานานคืออะไ ร, ระะก็ยังมากก็เยอะตัวเองจะไม่เห็นตัวเอง ถ้พูดยังไนคือไม่เห็นตัวเอ ง, อางการภาวนานต้องการให้เราเห็นตัวเองแต่จะเข้าใจตัวเองอันนี้เราไม่เห็นไม่เห็นตัวเองคนอื่นบอกชี้แจงแสดงแล้วพขาแม่คขาอาจารย์เขบอกแล้วว่าจะไปดูคนอื่นถ้ามันจะดูหรือคาว่าดูในแต่นนี้คือคิดถึงคนอื่นเรื่องคนอื่นพยายามจะตีฉินเลท่าอะไรก็แล้วแต่หยุดทันทีไม่เยอะแล้วครับเราเรื่องคนอื่นทําอย่างนี้เป็นปในิสัย อันนี้คือการภาวนามีการภาวนากเกิดไปเพกิดปัญญาเพื่อมันเจริญทางปัญญาเกิดการพัฒนาไม่อย่างนั้นมันจะเท่าภาวนาได้ยังไงเพราะนั้นเราจะเข้าใจภาวนากันรับหูรับตาสายยางหนอข่อยยางหนอแต่ยางเฉยๆมันไม่มีสติสติมันต้องมาอยู่กับการย่างก้าวยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ เขาถึงบอกให้มีสติทุกขั้นตอนไะงต้องการให้รู้มีสตินั่นเองความหมายเพราะนั้นจะยืนจะยืนให้มีพิจารณาอันนี้พิจารณา์ดรวยกัมีสติเปิดเรื่อกนึกคืนเลยอันนี้คือต้นแบบคือแม่แบบแม่บททั้งหมดทั้ง่วงพอเราทําได้อย่างนี้เราเชื่อเป็นนักภาวนาก็คืออยู่กับปัจจุบัน จำไว้เสมอก็เข้าวันากันอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือปัจจุบันทุกเรื่องถ้ามันเป็นอดีตมันไม่ใช่นะครูอาจารย์ทาเคยบอกว่าในขณะที่เราภาวนาะถ้าเราไปอยู่กับอดีตเมื่อไหรจิตมันก็เคลื่อนเคลื่อนจากที่ภาวนามันไม่เจริญละแต่ว่าถ้าจิตมันออกจากที่เมื่อไหรมันก็ไม่เจริญเหมือนคนออกจากบ้านคือออกจากร่างกายจิตมันออกจากกายตอนนั้น คือสติความรู้สึกมันไม่อยู่ที่กายหมอมันไปอยู่กับอะไรก็ไม่รู้คือมันตออกจากบ้านมันมีออกจากบ้านดูเจ้าบ้านก็ไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้นั่นกระแปรเจียนบางเคลื่อนแปลว่ามันไม่ใช่ทางแล้วออกนอกวงนอกทางแล้วมันไปไกลแล้วดึงกลับมองพราะมสติแล้วนึกนึกถึงยิ่งบอกใช้คําว่ารู้ตัวตอนนั้นมันไม่รู้ตัวไงมันไม่รู้ตัวหรือเราอย่งไม่พูดถึง รู้ตัวลราเกิดตัวรู้เพราะว่าตัวรู้มันไม่หนีแค่รู้ตัวยังทำไม่ได้ตัวรู้จะม่ต้องไปพูดถึงรู้ตัวเรารู้บ้างไม่รู้บ้าง ไ, ไปอยู่กับอดีตแท้ๆก็ยังไม่รู้ไปอยู่กับอนาคตก็ไม่รู้นี่เรวา่างภาวนานไม่ถูกต้องมันถึงไม่ไปไหนมาไหนเพราะเราประจมอยู่กับอดีตประจมอยู่กับอนาคตคือไปฝาก ความหวังว่ากับอดีตกับอนาคตโดยไม่กำหนดปัจจุบันมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะนั้นยืนย่ออะไก็ตามมันก็จะยืนเดินหรือนั่งก็ตามถ้ารู้ตัวโอมันเรื่องเก่าหรือแกไปแล้วกาหนดไปกำหนดตัวไหนลมหายใจมีอะไรจะทั้งตั้งใจที่ลมหายใจกำหนดลมไปคือให้รู้ตัวนั่นแหละคนหมาย สติมันก็จะรู้ตัวลม ม, มันก็จะรู้ตัวคิอสำปะชัญญะแต่มันจะรู้ตัวรู้พร้อมก็สูนลมหายใจเข้ามา ก, ก็จะมาเราจะเห็นว่าในขณะที่จิตของเราจะตกเป็นคณนิกะสมาธิคือมันวุ่วาบๆทุกั้างท่วคราวสมองเราจะเริ่มทำงานน้อยลง แต่ก็รู้สึกว่าที่กลางกำงมมมรู้สึกหรือที่ท้ายทอยอะมันจะเริ่มรู้สึกเชน่นเวลาจะออกจากสมาธิเหมือนกันถ้าเรากําหนดจรงนี้มันจะเริ่มคลายตัวรู้ตัวที่เาเรียกว่าการส่หมองก็มองสีสัมมันก็จะรู้ตัวมือมันคลายตัวหน้าตาเปลือกพันเปลือกหนังนับพงนับผางเยียวยนมันก็จะคลายตัวนี่เขาเรียกว่ารู้ตัววิสติ สติมาเริ่มกลับมาลูกตอนน้านั้นมันไม่รู้ตัวแม้แต่ขณะนิดเดียวเองเหมือนคนว่างเหงาหอนอนเงาหลับสงบเงี้มันกำลังจะลงแรงไม่ลงแรงบางทีเป็นอุปจารสมาธิถ้าเป็นอุปจารสมาีมันจะไม่สงบเป็นขณิกะช่วย แค่กลับมรู้ตัวเทียมันได้โอ้มันยังสดชื่นห่อยยังมีกําลังยังมีพลังอะไรทีดูพอข้าอุปจาระสมาธิแท้ๆมันจะเป็นยังไงอุปจารสมิมันมีสตินะคือมันรู้ตัวส่วนคณิกะมันรู้บางมันรู้บางม่ขั้นนิกะส่วนอัปปนาเนี่ยหมดเลยแล้วมันนิ่ไปเลยมันเข้าไปลืมก็จนไม่รู้ตัวคุณทนมง ไ, ไม่รู้ตัว คือไม่รู้ตัวข้างนอกเนี่ยคือเวทนาทั้งไปทําอะไรไม่ได้เช่นเย็นดอนอ่อนแข็งข้างนอกฝนตก้ายล่องมันไม่รับรู้ข้างนอกแต่จิตมันลงลึกขณะนั้นแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่เกิดปัญญาใ้สมาธิพิจารณาเกิดปัญญาได้ไ ด, ไ ด, ได้แต่นี่ยมันได้กําลังคือได้พลังครูอาจารย์เขาเรียนอ่างนี้ท่านก็มาได้ภาวนาตลอด ก็สลับกันไปพิจาุบัสมาธิบ้างภาปนาสมาธิบ้างแล้วก็พิจารณาตัวนี้ทําให้เกิดปัญญาพิจารณาตามสภาวะที่ความเป็นจริงที่มันกระทบหรือผัสสะทําให้เกิดเวทนาเราจะเข้าใจกันว่าโอ้ระวังรูปกับนามมันทำหน้าที่อย่างนี้มันสื่อสารกันอย่างนี้มันติดต่อกันอย่างนี้ถ้านามสื่อสารกับรูปไม่ได้ตรงนี้ก็คนนอนหลับ ไอเวทนาที่มีอยู่มันสามารถที่จะแปลสภาพหรือแปลงหรือว่าแปลงมันเป็นภาษาเราได้เจ็บเจถ้าปวดไม่มีเพรามันไม่รับรู้เมือรับรู้ขอ ง, ขอ ง, ของเหมือนเวลาหมอเขาผ่าตัดก็ใส่ ย, ยาสลบเข้าไปไอเวทนาที่ว่าเขาเจ็บคขาปวดมันไม่มีมันควด้วยความรู้สึกความรู้สึกอันน้มันไม่มีคือมันไม่เวทนานะั่นแหละในความรู้สึก แต่พอหมดยาหมดฤทธิ์กาเริ่มรู้สึกตัวเร่รู้สึกตั ว, ร, ร, ตวรู้สึกตัวเราเนี่ยไอหัวจรวดเท้ามันมีความรู้สึกก่อนอันนั้นมันมันไม่มีความรู้สึกเหมือนกันการภาวนาก็เช่นเดียวกันการพิจารณาในขณะที่มารู้ตัวคืออุปจารสมาธิไม่ใช่ขา้ิกาสมาธิเมือนกันเกิด อุปจารสมาธิแล้วองค์แห่งฌานองแห่งฌานอรูปชานอารูปชานเรีวสมาบัติแปดอันนี้เนมันจะเป็นในคุณสมบัติของจิตหรือ ว, ว่าเป็นภูมิเป็นชั้นของจิตที่จะยกจิตระดับหนึ่งขึ้นไปสู่ที่รูปารปจรภูมิอารูปารุปจรภูมิก็เป็นที่อยู่ของจิตเมื่อจิตถ้ายังไม่หมดไม่พ้นหมายถึงจะตยมีกิเลสเขาว่าเคยมีกิเลสก็คือ อยู่ในพบยังสามวการมาพบรูปบพบอรูปบพบประมาคือมันยังคล่องในเรานี้อยู่มันก็ไปอยู่ในรูปปรพบเืออรูปพบเป็นเวลายาวนานจนลืมซึ่งต่างกรรมอาบคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มันมีข้อจํากัดมันเกินรอยปีรอป้รอยกว่าปีมันก็ไปแล้วมันก็ผุพังแล้วข า, วาไปผุพังก็าร่างกายดินนะ้าไปลงกว่าแต่เขาไม่ มันมีหยาบอย่างเราเคยดูน้ําไฟลมมีแต่ของละเอียดคือรูปละเอียดรูปหยาดนั้นมันไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จิละตอนปล่อยวางอย่างพวกเรานถ้ามัมีสติปัญญาอยู่ในชั้นสุทาวาจริงๆริงในชั้นพงมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นต่อให้อยู่นานขนาดไหนก็กลับมาที่เดิมเป็นสัตตางเหมือนเดิมคือเป็นปุ๊กอยวข้องอยู่เหมือนเดิมคือข้องเดียงรูปวัคภรูปวัคภเขาหมายคำว่าข้องคำว่ากลาม อาจจะดีบ้างมัดีบ้างแล้วแต่ต้นทุนใครของมันที่ทำมาแต่ว่ากลับมาที่เดิมเป็นอยู่อย่างนี้ชั่วนาตาเปรมมันก็เป็นอย่างนี้รังจิตตะภาวนามันเกิดความรู้ยิ่งแท้จริงตามความเป็นจริงอย่างนี้มันจะเกิดธรรมะสังเวสว่าโอ้เราเวียนไปกลับไปกลับมามันเสื่อมฉันอยู่อย่างนี้ทำไมจิตไม่ไม่จดไม่จำแลเก็ดไม่ลาบ วัติปัญญามันน้อยความรู้เรื่องเหล่านี้มันน้อยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ว่ายใจนะบอกเนี่ยต้องทําให้เยอะทําให้บ่อยทำให้จีขึ้นให้ซึ้งะจําอย่างน้อยที่เจอความคิต อ, ออกจะดางให้มันจําอารมณ์สิ่งเหล่านี้มันไ ม, ไม่ไปในที่ต่ํากว่านี้ในความหมายนะให้เราพิจารณาอย่างนี้แม้แต่ขอนหลับขอนนอนก็ตามคอนเ่มันจะเหลือแต่ความฝันพูดอย่ ความฝันก็คืออีกพบพบหนึ่งชาติหนึ่งแล้วล่ะทเรืงมันก็เกิดดับเกิดดับอะขณะที่เราฝันมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อะไรขนาดที่เราลืมตาเนี่ยเหมือนกันเราลืมตามันก็เกิดดับเกิดดับแต่เราไม่รู้รู้ไม่ทันว่าอะไรเกิดอะไรดับเพราะนั่นเองมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานึกอะไรขึ้นมาคือเกิดมันหายไปคือดับคือสภพากลว่าขนามันเป็นอย่างนี้ แต่จิตของเราจิตคือสตินะมันไม่ต่อเนื่องกับสิ่งเหล่านี้มันเลยไม่รู้เรื่องก็แปลว่าระหว่างรูปกับนามมันไม่รู้เรื่องกันมค่อนหมายมันไปนโทษมันไม่ได้นี่พ่อเราภาวนาน้อยเช่นความร้อนกับฟืนกับไฟเป็นเรื่องเดียวกันไหมถ้าเราจุดไฟจุดฟืนแําเกิดความร้อนถามว่า ม, มันรู้เรื่องกันไหม มันก็จะเหมือนกันว่าราหลับมีเหมือนกันหมดหูตาจมูกลิก้นก็เหมือนกันหมดแต่รู้เรื่องมันไม่รู้มันต้องมีวิญญาณวิญญาณเกิดรับรู้เีกชนิดนึ้งเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์เป็นสิ่งรับมามันไม่รับทางกายไม่รับทางกายภาวนามันเป็นเรื่องของจิตตะภาวนาเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราภาวนาไม่เป็นทจิตตะภาวนาเมันก็ไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ มันก็รู้แต่กายภาพวนาเป็นที่เราทําอะไรนนี้คือรูปเป็นยางไงเดินเด่นนั่นก็คือรูปเดินเหนื่อยไปมาลำบากลําบนเจ็บไข้กดเวทนาร้อนเย็นมันก็คือดินน้ําไฟลงคือฮาร์ที่ปรากฏอยู่นี้เราก็ไม่รู้กระไดพิจารณาผู้ชีวเสมออะไรก็ตามที่มาเขาโซ่ร่างกายคือรูปของเรานี่ถือเป็นโอกาสถือว่าโชคดีที่เราได้รับรู้สิ่งเหล่า น, นี้ นรับดูหน่อยทำมเพื่อให้เราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงต้องย้ำว่าตามความเป็นจริงมาถึงจะวางได้อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นเรารู้ ค, ครึ่งกลาง ร, รู้บ้างไม่รู้บ้างเขา้าใจเอาเองภ า, าวนาเราไม่เป็นแม่ไห น, ไหนคือมันไม่เกิดปัญญานาะความหมายปัญญานั้นไม่เจริญเพราะฉะนั้น กายะภาวนาจิตตะภาวนามันต้องเป็นไปได้วยกันกายะภาวนาก็คือขันนั่นแหละเราจะเรียกว่าอะไรล่ะขันมันก็คือรูปขนันก็มีทั้งรูกด้านหนาแต่เราต น, นี้เรามุ่งไปที่รูปเป็นหลังรันูกก็มุ่งปฏิสดินน้ำไฟลมถ้าเข้าใจตรงกันอย่างนี้มันจะเข้าใจโอ้ทั้งนั้นดินน้ำไฟลมวันหนึ่งมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกอุปัตติเกิดจะเรียกอะไรเรียกวัดตายเรียกอะไรก็แล้วแต่ ก็คือดับนั่นแหละมันอยู่ได้มันก็ดับคือมันทนอยู่ไม่ได้คือสภาวะทุกอย่างนั่นคือมันทนอยู่ไม่ได้แล้วตามสภาพตามอายุไขของมันวัวไขก็หมดอายุมันก็ไปตามสภาพของมันแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนมันเคยอย่างเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมแต่ของมนุษยไม่ได้สนใจแล้วตอนนั้แต่เข้าใจไปเรื่องอื่นนะเปผีเป็นวิญญาณเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปกลัวสากศพคือไปกลัวดินน้ําไฟลม วลคนตายพ่อแม่แต่ทอยู่ด้วยกันหกสิบจ็ดสิบปีเวลาตายเกิดควากลัวกันมาเออก็กลัวดินน้ำไฟลมมันคือดินน้าไฟลมตัวที่เป็นดวงจิตดวงใจ ม, มันไม่อยู่แล้วแล้วจะไปกลัวอะไรอไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่มองค์ความรู้อย่างนี้แต่เราก็าจะถือเป็นเรื่องที่น่า ก, กลัวออนั่นคือการหลอกตัวเอง ผีกันหลอกตัวเองมนไม่ใช่แค่คัวอื่นหลอกเราหลอกตัวเราเองหลอกก็คือกลัวภัยความกลัวกลายเป็นความกลัวสิบกลัวอะไรก็ไม่รู้ตอบไม่ได้กลัวอะไรถ้ากลัวผีผีคืออะไรถ้าไปกลัวซากศพกลัวผีแล้วเราไม่ใช่หรือเราดินเรามีไหมน้มํมมามีไหมไฟไหมลมมีไมอันเดียวกันไหมของเขาในหมดสภาพแล้ว ของเรามันน่ากลัวกว่ามันจะก่อเหตุอะไรได้ทั้งดีไม่ ด, ดีอีกเยอะแยะมากมายผลพวงของมันทําไมไม่กลัวแต่ไม่ใช่เอออกาสเรายังมีโอกาสพวกนั้นเขาไม่มีทําไมไม่คิดตรงกันข้ามก่อนนั้นคาว่าคิดตรงกันข้ามก็มันเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเช่นเรากําลังคิดเรื่องทุกข์อยู่ลัดสมัยไม่คิดตรงข้ามกับทุกข์มัง้งไง มันก็คือสุขเยอะแ ย, ยะทําไมเรื่องคิดแล้มันสบายใจทํำไมไม่คิดอในขณะคิดสบายใจอยู่เออก็เหยีบประมาณนทมันตรงกับข้ามกับมันกับความไม่ความสบายใจก็คือความไม่สบายใจก็คือทุกข์นั่นเองการคิดมันเป็นคู่อย่างนี้เสอมอืตอนนี้เป็นกลางวันอยู่สักพักลางคืนท้าอะไรไม่ได้แล้วนะหลือแต่ลมก็มาทำนะที่ดินน้ําไฟมาทําที่ของมัน หรือตลมทลําหน้าที่ทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นเวลามันมืดจะทําอะไรไม่ได้แล้วเหมือนใจแก่ถ้ามันมืดเราครอบงามันมองอะไรไม่เห็นหรอกถ้าใจมันสว่างขึ้นมามันก็ถึงที่จะมองเห็นกันเหมือนมกลางวันจะเป็นโอ ก, กาสที่พอทั้งหลายมีโอ ก, กาสได้บำเพ็ญนการเรียนรู้ส่วนกลางคืนเนี่ยมดสภาพมีเด็กหลับคือพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเพื่อเรียนรู้ว่าเออวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้ มันมืดขึ้นหนึ่งสว่างขึ้นหนึ่งจิตของเราเป็นอย่างนี้มาตลอดมันเป็นเป็นอย่างนี้มาตลอดมันก็เพิ่งเป็นแต่สติมันไม่เกิดเพราะนั้นก็ราบเราทุกคนว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำประยชน์คือภาวนานี่แหละอันภาวนาไมออ่ต้องเข้าใจมันไม่ใช่ ล, ชลรื่องมรดตานะภาวนาการเรียนโดยกายภาวนาคือกายเนี่ยคือรูป จิตตภาวนาคือนามละรู้กับนามอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาไม่ได้มีเยอะถ้าแบ่งเป็นกองก็ห้ากองทั้งเองได้เป็นเรื่องก็สองเรื่องก็คือไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าแค่นี้เองเรายังเรียนไม่จบเลยเป็นปัญหากองเราตลอดคืออ่านไม่จบถ้าพูดเป็นหนังสือง่ายคือหนังสือเล่มนี้ไม่เคยอ่านจบเลยแล้วมันจะรู้เรื่องได้ยังไง แค่อ่านแค่อรัมพบทแค่เริ่มต้นได้บทสองบทก็หยุดอ่านแล้วคือหยุดปฏิบัติแล้วหยุดดูแล้วหยุดพิจารณาแล้วก็คือไม่อ่านตัวเองนั่นเองึงปัญญามันไม่เกิดความฉลาดมันไม่เกิดก็คือ ม, มีการเรียนรู้พระนั่งบอกว่าท่านเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเสข้าบุคคลนะคือบคคลต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ ศึกษาอะไรศึกษาท่าสี่กันห้าอันศึกษาอันอื่นไม่ชื่อว่าการศึกษาไม่ชื่อว่าเสกค่ะเช่นเรื่องโลกที่เราเรียนกันอยู่อ่นอ่านกันอยู่จำจำกันอยู่่ะมันไม่ได้ประโยชน์ไปอย่างอะไรเลยแต่ถ้าศึกษาตัวเองมันได้ปัญเรียนเรื่องโลกนั้นได้สัญญาแต่เรียนเรื่องธรรมได้ปัญญาเราก็เลือกเอาจะเอาสัญญาหรือปัญญา สัญญามันเยอะแล้วเอาปัญญาบ้างเือมันจะได้เกิดปัญญาไปได้เกิดแสงสว่างคัดจัดความมืดความบอดความไม่รู้ความไม่เห็นที่มันปิดมันบังตัวเราเองหมากน้อยไม่เป็นไรจุดเทียนวันละเล่มสองเล่มลายๆเล่มมันก็สว่างขึ้นหลายเรงขึ้นก็สว่างแจ้งขึ้นมาในใจตอนนี้ใจเราไม่แจ้ง พวกเราไม่มีสิ่งเหล น, นั้นันก็ฝากพวกเราทุกคนเลยว่าพีนี้ก็ใกล้จำหมปีแล้วก็ให้เรานึกถึงย้อนหลังโอ้ปีนี้เราใช้ชีวิตคุ้มค่าไหมโดยเฉพาะทั้งางโลกแล้วก็ทางธรรมเราทําหน้าที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ไหมคือหน้าที่ทางโลกแล้วก็หน้าที่ทางทางอย่างน้อยก็ให้มันสมดุลกันอย่าให้มันห่างกันมากกันไป มันคิดอะไรไม่ออกวันหนึ่งเมื่อมันจะออกจากร่างไปแล้วหรือเมื่อวันนั้นเวทนามันกล้าเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เวทนานมันแรงกล้ามันกําหนดอะไรไม่ได้เลยที่เาจะคิด่เวทนามาแล้วให้มันกําหนดกําหนดอะไรไม่ได้เลยเวทนามันครอบงำโอ้มันเจ็บมันโปดจิตมันก็จะปอยู่กับที่เวทนาน มันมีแต่ปวดโวดโปวดปวดปวดถ้าเราวางไม่ได้เธอไม่เอาจิตไปทําอย่างอื่นหรืออั ป, ปนาสมาธิเนเป็นไม่ได้คือพักแก่สิ่งเานี้ไม่ได้มันก็จะบีบคั้นจน จ, นจนิตมันอยู่ไม่ไดมันจะออกจ า, รากจรางเคลื่อนมันก็อกจากรังเคลื่อนไปแต่นี้มันก็เหลือแต่ดินน้ำไฟลมหนึ่งจิตอาลมมันก็ออกอหมดหมดไปหมดทุกอย่างหมดหมดหมดหมดลมก็หมดไฟก็เจริ่มเย็นลง ดินกับยังมีน้ําก็เท่าที่นีถ้ามีเรือกนันก็จะ ข, ขับออกก็เป็นธาตุธรรมชาตินั่นคือรูปน่ะเพราะนั้นถ้าเราไปคาดฝังหรือไปอาศัยไปพึ่งผารูปเลยจนมากเกินไปวันหนึ่งมันก็จะเป็ น, นสู่เรื่องน้ําซึ่งแต่เป็ค่ชื่อสัมผัสไม่ได้แตต้องมาได้ถ้าไม่เคยเรียนรูร้เลยมัหนักเลยเราจะไปอะไรอวรในรูปคือที่น้ําไฟลมเอเนี้ยเป็นหละ ไม่เข้าใจแต่ถ้าทําใจไว้ดันทีกโอ้ร่างกายคือมันคือดินน้าไฟลมนะรูปเนี่ยไม่เกี่ยวกับสวยไม่เกี่ยวกับร้องเกี่ยวกับอะไรอย่าไปอะไรอาวนกับมันวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปแต่เราไม่ไม่อยากจากเขาไปเลยเลยเขาทิ้งเราได้ทำ่มเราทิ้งเขาไม่ได้ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไม่งั้นมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะคามันก็จะคล้องมันก็จะติดจัสั่งยอด คือขึงรัดวัดดึงอยู่เย่างนี้มันไม่ได้มาไหนเนี่ยลงก็ไม่สิมนัดละถอนปล่อยวางได้เมื่อจะเป็นสังกัเบื้องต่ําสังกัเบื้องสูงมีอยู่มันก็นี่คือองค์ประกอบของสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เข้าใจเสิ่นี้ อ, อุยากมศลขยันกะทีคืออะไรมันก็คือรูปนี่แหละคือขันห้านี่เละวิจิเกชาคือจิตที่มันยังเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระอยูอย่ตลอดเลยศิลปปรมา การลูกค้าที่มันผิดนับถือที่มันผิดเชื่อที่ผิดผิดคือชี้เชื่อกลางกันมามันก็จะอยู่กันอย่างนี้นะบันไดขั้นแรกยังไม่ต้องพูดถึงเลยนับถือแค่บันไดขั้นแรกนะดันให้เราป้านคงในประทัใจเป็นเบื้องตนเอาไว้ก่อนแต่ห้ามใจในศินซึ่งสองสองอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนั่งหรืออะไรเป็นเมื่อ น, นั้นโดยเฉพาะคือสินสินคือคู่องงใครว่าจะเราคุมได้ ถ้า เ, เราคิดเออราคงได้เหมือนหลับนอนกายก็ไม่ทําบุญทาบาปแล้ววาจาไม่ ท, ทําบุญทำบาปมันเป็นสินนั่นตีโดยสภาพหรือเด็กใจะนะหรือเด็กจิตนะมันไม่เป็นธรรมคือมันไม่มีธรรมอยู่ในใจิตมันก็ไดแค่สินวันหนึ่งเรามีแน่ น, นอนมีมีนาคือสินทางกายแล้วก็ไม่ทำบุญทำบาปวาจาไม่ทำบุญาบาปมันเป็นสินนั่นตีโดยอัตโนมัติมันเป็นผลไปได้ทันตีมันต้องไปเกี่ยวกับเรื่องสินมาก ก็นังก่อหลับก่อนนอนก่อนที่มันจะฝันก่อนที่เป็นมิจฉก่อนที่มันไม่รู้เรื่องอเรื่องนี้สตินั่นเองให้เรานึกนึกถึงอย่างนี้เป็นประจําประจำเราจะเป็นนิสัยเหมือนก่อนจะตายหรือจิตออกจากทางธรรมชาติทาเราฝึกเป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นนิสัยมันจะคิดได้ออสุดท้ายได้ถึงเวลาถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วดินน้ําไฟลมเราอยู่ด้วยกันไปได้ คุณก็ไปอยู่ตา ม, ามาตรธรร ม, า ร, รรมชาติของคุณคือธรรมชาติเรือธรรมชาติของคุณนั่นคือธรรมะนะส่วนเราก็จะเป็นธรรมชาติเราคือจิตก็จะไปต่อครอหาที่ตั้งต่อหาที่พึ่งต่อหาที่เกาะต่อไม่จะเป็นอารูปคือมันไม่มีรูปเป็นเป็นรูปเรียกก็าตามแต่มันก็ยังเกาะตอนนั้นอยู่จิตมันต้องมีที่เกาะนะไม่มีที่เกาะมันอยู่ไม่ได้ผู้ใดก็ไม่มีบัณ น, นอยู่ไม่ได้มันก็เกาะไปไหม่น ถ้ามันเกิดเร็วเกิดเร็วตายเร็วตายเร็ ว, เ, รวเกิดเร็วมันก็จะดีหนึ่งดีหนึ่งตรงที่ว่าโ อ, อ้มันไม่ไปเสวยบุญต่างอื่นก่อนมันก็จะเกิดเร็วไหลทั้งที่เราเคยได้ยินคนรึกชาติได้ก็เพราะว่าเขาตายเร็วเกิดเร็วมันขอจึงระลึกเรื่ชาติขึ้นมาได้เป็นครึ่งเดนอย่างเนาะโอชตัช ต, ชติหนึ่งชาตนหน้าจะนู่นอธิบายไม่ได้มันหาหลักฐานไม่ได้ แต่ว่าสิ่งที่เราพูดเราจำกันมามันมีแม้แต่ผู้เจ้เกเาก็เช่นเดียวกันพวกเราเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่แค่เพิ่งเป็นเพิ่งมีตอนนี้มันมีมันเป็นมาอย่างนี้มาช้านานสลับกับเพิ่มไปกระนั้นสติเรื่องสําคัญวันวันนี้ฝากไว้สองคำคือกายภาวนาคือภาวนาทางกายจะต้องมีคือความเพียรนั่นงแหละความเพียรทางกายจะต้องมีไม่มีไั่หายืนเดินนั่งอย่างนี้เป็นตน้น ทีตาภาวนาความเพียรทางจิตมันก็จะต้องมีถ้าสองอย่างมันไม่พร้อมไม่เกิดขึ้นพร้อมกันมันยากที่ขับเคลื่อนที่เกิดปัญญาหรือรอบรู้ในกองสังนานด้วยปัญญามันเป็นเรื่องยากมันต้องสองอย่างนั้นทุกคนมีอยู่แล้วในตัวในตในตในเราในเขาเพียงแต่ว่าศึกษาเรียนรู้ แล้วก็ทําปฏิบัติคือทําให้มากทาให้มีทาให้เป็นทำให้เกิดขึ้นเมื่อมันมีมันเป็นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นที่พึ่งของจิตของเรากว่านนั้เรื่องกายไม่ต้องเป็นห่วงของเราแต่วันหนึ่งมันอยู่ไม่ได้มันก็ไปตามสบายของเรื่องกายคือรูปถ้าเราเข้าใจไงก็สบายใจละไม่ต้องไปกังวลมันจะต้องเป็นอะไรมันจะเป็นโรคภัยก็เจ็บอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันมีทุกคนไม่ใช่มีเราคนเดียว ใครจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเอง ก, ก็ถือให้เรื่องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมะดังถ้าเราคิดได้อย่างนี้ในทุกเรื่องว่าธรรมดะคือปกติมันไม่ผ้เป็นปกติอะไรเลยแใจเราก็ถึงธรรมะได้ง่ายดูใช้ธรรมะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันนั้นขอยเราทั้งหลายไปใช้ชีวิตในประจําวันด้วยธรรมะคาสอนของพระพุทธองค์ ในชีวิตประจำเอาไปใช้กับวิธีชิดคือความคิดวิธีพูดคือวาจาวิธีทำรรคือการแสดงออกให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ไม่มีโทษเกิดขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นก็แสดงว่ากายเราก็จเจริญจิตเราก็จเจริญพูดง่ายโลกก็จเจริญทำก็จเจริญก็จเจริญท้อกอย่างเกิดขึ้นแล้วเราจะเรียกว่าพัฒนาหรือภาวนาห้าไม่จเจริญเมื่อไหร่ ตรงข้ามกับพัฒนาคือหายนะคือเสื่อมตรงข้ามกับเจริญคือเสื่อมอยู่อย่างท่ามันไม่เจริญมันก็เสื่อมแปลว่าที่มันไม่เจริญทุกวันนีก็แปลว่ามันเสื่อมนั่นเองเราจะอยู่ความเสื่อมหรืออยู่ความเจริญก็อยู่ที่เราน่แต่ให้มันเสื่อมหรือมันเจริญก็อยู่ที่เราฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนใกล้จะสิ้นปีใหม่แล้วนั่นเป็นข้อนี้ดีคำพูดดีสิ่งที่เราทำมาทังเถื่ะน สิ่งเหล่านี้จะเป็นคเครื่องเรียกปัจจัยนุนส่งของเราเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ไปต่อข้างหน้าไม้เจริญก้าวหน้าในชีวิตในที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมก็หลายด้านความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเติน